เอะมาคุณมาถึงตรงโอเคทุกนบังคับรตะกัศธรระกัศบังคแต่ก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้ามีราสมากที่สุดว่าเพระพุทธกัศถ้าถามถามว่าทำไมเป็นงั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เป็นองค์ชายจิตวิญญาณ เพว่าการผู้หลักแรกตั้งก่องผู้อันไหนก่อนถาเยนยานพุทธกษัตระส์เป็นพระพุทธรุฑาผู้มีรากมาจาสมดราแถ้เรามาผู้เดชที่มาสอนที่มาเผยเสียในการเสีย้องเลิกก่อนละคนลาอร่อยกไดยังขาดเห จะตกดอยอไ ว, ไว่กลางอาว่าไปปกติแล้วทําสมาพิเส็จก็ไปไหว้พระสุรามณีพระเมาท่านปู่ท่านยา่าท่านแม่เป็นประจำแล้วจึงเข้าวิมาณของตัวเองวันหนึ่ง คิดจะไปดูที่บ้านปลูกค้างไว้แต่บังเอิญไปเห็นงูดุร้ายตัวใหญ่จูคออยู่รู้ในใจว่าเคยเกิดเป็นลูกจึงตกใจออกจากสมาธิขอเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและจะแก้ไขอย่างไรก่อครับเคยเกิดเป็นลูกงูเลยอ่าไม่ใช่นะงูเคยเกิดเป็นลูกของดิฉัน อีชั้นคือยกทรใช่ไหมก็ไมเห็นนี่แปลกอะไรนี่ลาบลาการเกิดพ่อเป็นอาจจะเป็นคนลูกอาจจะเป็งอ๋ลูกอาจเป็นคนพ่ออาเป็นหมามันได้แต่ไดแต่ผลของกรรมนะลาบลาการเป็นวาแต่เกิดในวัดตาเป็นของธรรมดาของกรรมแต่ลอย่างใช่ไหมลาบลาเป็นได้เปนไม่แปลกอ๋อลูกชั้นเวลานี้เป็นหมาเยอะ ขราดูข้าขาส่งมาเกิดที่กุฏิอ่ะ6คนทั้งนั้นเลยโอ้โห oh. แต่ถ้าส่งมานาฝาแล้วก็เขาก็ไปไปไปสุดโอ้ oh. แต่ถภาษาไม่ช่วยพ่ออเา that, that. เอาชควยเขาฝากฝากแล้วก็เจมมาเขกดลุ้มกันเป็นหมารนะฝากฝามาช่วยเฉยเฉยอ้อธิปิเป็นลูกขอพ่อเหรอครับเอ่อทำงานพกกต่อป็อ oh. <laughs> โอ้เป็นไปได้มันเกิดเป็นลูกเป็นหมาได้เรออะไรยศทรงก็เคยเป็นหมานะเสีย่าเน่เนมจริงแต่แล้วยาเเรียกหมาหางกุดนะแต่ใช้ยาเพจินแล้วสูงมาแล้วภาษามาสอาสูงมาสใช่ไม่าแล้วเจ้าคนนี้มีบุญมากเพาะในเกิดมาไม่ได้กินข้าวเลย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 วัน้องพ่อไปกับใบน้อหัวใหญ่แทนนี่ม <NO ีห nee ม้อเดียมาทีสามสี่หม้อเลยโอ้ปลาเจ้าคนเกินพออาศัยได้เลยเนี่เลี้ยหมากินขี้ช้างก็แย่ครับคนี่เรียกว่าเป็นไปได้นะอันี่มันทางสุดก่อนโน้นก็เหมือนกันลาลาบแม่มันตั้งทองทั้งบอกเลยตัวไหนสีอะไรสีอะไรมาจากไหมมีหน้าที่แบบไหนอ ไม่ใช่เป็นเพราะกรรมเลมาเกิดเป็นหมาเพียงแค่มาเกิดช่วยฝากวนี้่พูดรู้เรื่องพูดรู้ภาษาฝากไเป็นหมาอื่นเพราไปเป็นหมาแตนรู้เลยนะจะว่าไม่ได้หน้าจะเรียงไมว่ามันไม่สวยอลยมันค้อนะมันมันไม่ยอมลงเลยโอ้ิดเดียวฝากไม่สวยันไม่ยอมลงแม่ขนาพูดแค่ไม่สวยนี่นะอ๋อยิ่งถ้าขอหวยก็คงเป้เป๊ะ ขอเป๊ะแน่เออเพว่าไป่บนหมานะเอาละในเรื่องละขอหวยหมาเลยนะขอไปแหวนทองเทของไทยมีผู้ทำหล่นอยู่ท่านบนปุดมโนมจิโปรดทราบแห้แต่ไปจองคันก็สายประวายวัดเลยนะถ้าเป็นป็นคันทื่ทันแล้วที่ายไงครับพาเป็นเรงมาแล้วจาหลวงพ่อจะพัก ลูกเป็นครูแล้วก็เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานวันหนึ่งชวนเพื่อนมาปฏิบัติที่ซอยสายลมนี้แต่พอเริ่มนั่งกรรมฐานจริงๆแกมีความเร่าร้อนก ร, ระสับกระส่ายเหมือนกับไฟไหม้อยู่ในตัวอย่างนั้นแหละเจ้าข่าอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเขาเป็นอะไรหรือมีอะไรทําให้เป็นเจ้าคะ เขาเป็นอะไรเขา่อนเขาเป็นคนเขามีอะไรเขมี่าตุไฟในกายยินร้อนร้อยไม้เฉยเลยครับเพราะเขานั่งหูมันบับหัวถ้าใจระเบิดออกเป็นสี่เสียงห้าเสียงเลยน่างต้องคิดแล้วต้องิดแล้วครับต้องคิดแล้วที่หลังที่ทํทำให้เขามาโทษต่อพรจาศาสนาคุณเสียก่อนโอ้แต่กวานจริงใจขอมาโทษศาสนาคุณนควรทำทุกครั้งเนี่ยทีเราทำกันไม่เลยนะ <ต> ie, ป่าทุกคนมีปินหน้าปินหลังเสมอตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าพออาจารย์ถามมาฉันย้ำถามไม่เคยบอกทันทีโอเออแล้วก็ยังมีวงเล็บว่าเป็นคนนีสายไม่ค่อยดีหน่อยๆอยู่ด้วยเพราะว่าทมมาโอ้แหมเอาร็อะไรกันนะขาบใครขอมาจรนงๆไม่ดีไม่ไดยของเขาฝากไปขอกระบอกตัวตายธนาคมับ เมื่อวันเสาร์ต้นเดือนที่แล้วลูกทงตามาธิที่คอยสายลมเห็นพญานาคสามตัวขึ้นมาฟังธรรมะกับหลวงพ่อที่คอยสายลมที่นี่อยากจะเรียนทราบว่าการเห็นของนิฉันเป็นการคิดหรือเป็นความจริงเจ้าคะเรียนหนาะผู้หญิงผู้ชายก็เขามีเพศแน่นนะอนบางคนชื่นหนะ้า เด็กผู้หญิงหรือพระชายอาวพญนคอ๋อพญานาเป็นผู้ชายนะอ๋อพระพาเป็นคุณหญิงน่าคุณหญิงเหรอพระเมียพญานเป็นคุณหญิงอ้ยคุณหญิงโอ้ยพระเมียนี่วะคุณหญิงน่าโอ้ยพระเมียพญาน่โอ้ของพ่อมีพระเอก็ถามมาเลยนะอ่าวกระชับพญานาคขึ้นมาฟังธรรมะหลวงพ่อพลังพญายยสามตัว เ ข, เ, ข เ, ขเขาเขาก็สงสัยว่าไอาเขาเห็นด้วยด้วยด้วยจิตหรือว่าเขาเขาคิดไปเองแต่ว่ามันกล้ามาสื่นกันอยู่ะ ห, หรือเป็นความจริง เ, เขาต้องถามเขาคิดหรืเปล่าล่ะเ้ิมีไม่เด็ดคิดกำลังฟังธ<อ>รามารมะไม่ได้คิดแล้วก็ของจริงค<อ>ําว่าพยานหน้าเนี่ยเราคิดออาไปสัจริงช้างใช่ไม า, าทาคารนางทิพติประตรงที่เราโมงสูงลาบลาบในวันด้านุฑนี้เราเรียกว่าน้า พวกเราก็เลยหลงว่าเป็นนากงูเพืก็เลยทาเป็นหน้าก ง, ง, งให้ดูฟาดฟากว่าที่พระสงฆ์ที่บาทตอนต้นเราเชิญท่านมาช่วยกายคู่ครองฟาดาะเจ้าที่ันศพวันในพร้าพที่ตกเปได้ของท่านโอนที่ใต้เป็ได้ขอ้มุพันฟาดด้านที่ออเราไป็นทาวคนพัน<า>ด้านที่แต่ที่เหนือไป็ได้ขอยักษ์ทวีชวัสร์นะโอนี่เวลาท่านมาท่านก็ต้องการคนท่านหนีเลยเป็นน้าก็เลยโกงฟาดฟาดไม่เทวดา จริงข้าวจริงฟังจริงกันมั้จริงถามจริงอพูดจริงตอบจริงจริงนี่ขาดไปนิดนึงเอยังไม่ได้จ่ายจริงๆรองใช่ใช่่ใช่เอออขอขาดนิดนึงนี่ก็เขาเก็บกระเป๋าตังค์ได้เมื่อคืนนี้ก็มารับได้ที่ตรงยกทรงขอรับ แหมมีเจ <ís SS 30 htaking> ้คนลทำของหายนะเฮ้มีตังเปล่าเนี่ยถ้ามีตังถวายว่าถท่าทุงเลยนะสงสัยอาจจะถวายท่านแมงมุม้กติกท่านดีๆอาจจะไปเลยราบวันหนึ่งลูกกำลังจัดหนังสือธรรมะเข้าที่หลังจักอ่านแล้วข้อตกกลางคืนกระกฏเป็นแสงสว่างว่าขึ้นรอบตัวตั้งแต่ศีรษะจนเท้า ลูกตกใจมากยึงกล้าเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นแสนอะไรเจ้าคะวงเล็บหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเห็นเองเสือไปทางมกงค็คือคือไม่ทราบว่าแสนนี้นี่พ่อยังไ ง, อองไนะกำลังอ่านจัดหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเก็บเก็บเอขอเก็บแล้วก็ก็มาจะเข้านอน พอดีก็เห็นแสงก็ว่างปลากรดควยพุ่งมาลงหลอกตั้งแต่ที่ปากยันเช้าเลยครับถ้าพูดประเภศเราเนี่ยากสาเป็นแสงจากดวงดาวก็ได้อเป็นแสงแจกลมก็ได้ปาบกเป็นแสงจากพระอรหันต์นิพพานเปแนอะรก็ได้อเป็นแสงพระพุทธเจ้าก็ได้ปากแต่ว่าที่พี่พูดเลยทุกคนฟังสมบูรณ์อะไรบอกเป็นแสงของย่าโอ้ยท่านย่าเหรอ โอ so cool. ้คนโกรดีน้องไปคนมาเช่นโกรกคนฟังแล้วตอนแส่พญาติมาจะสงคราะโอ้แหมจริงจนะพ่อญาติสานันสถาไม่แสดงเลเอ๊ดดันได้คลงไับไม่หลับมั้น Clear hey yes, ี่อ่ายังตอนนั้นจะแช่มีนบ่อยพัอญาติประาการที่ดันด้แคง นี่นี่บางคนยังมองเลยเอ๊ะพ่อผู้ปสาบาลีอะไรสมมาอ่านยังยังแปลได้อะไรแง่ายเ่ไส้แแปลนี้ที่แปลจะมัวยหมเออสมมาอ่านยงปรนกัานี้พระเจ้าขอถึงคุณแม่จมัที่ประสงค์ที่ สองวามีคนมารายงานตกแห่เจ้าไปขึ้นไปลงกันใหญ่เลยเนาะนะครับไม้หลงหัวซักสมแล้วพี่เป็นสารานุสามนี้ใช่เ้ามีปฏิบัธรราแบบเขาบริษัทอ๋อใช่ตัดไปคืนถามทราบแล้วทราบทราบแว่าปฏิบัติธรรแบบนี้เป็นปฏิบัติธมอะไรผมบอกปฏิบัติธรรมของบริษัทแต่นี่ก็มันยนยแค่ถามปฏิบัติธทานั้นแหะอ๋อแล้ว วินาเ t าครุดฤทธิ์จะบอกว่าเป็นพระโพธิัตระบัติอองสวมาหมายผมนักถือมากเนี่ยใช่ที่นีนัถือเยอะี่กำลังจะนับถือต้องมีแหมาทจะยังเรียนด้วยก็อต้องอเ่อาเยนะเอาไปเชือ เือที่จะ ล, งลองลองอีกได <c oughs> ้จะได้มีเงินทาบุญไว้ถัดสูสงหลายรอกรู้จ่าหลวงพ่อเจ้าพักเวลาลูกกรอดขึ้นมาก็ชกสาบแช่งคนโน้นคนนี้ให้มีอันเป็นไปต่างๆนาน า, นาวันหนึ่งเคยสาบแช่ง คนใกล้เพียให้เป็นมะเ ร, ร็งเกงก่อยตายแล้วก็ทายไฟจริงๆอที่คลายยังแช่งให้ไฟไหม้บ้านก็ไหม้จริงๆตอนนี้ลูกกำลังมีความเหนือดร้อนกจำลังกำลังจะสนองเฉอนขอให้ล<ต>ูกขอแม้วิธีมะเล็งําลังมางรู้เลยนะ แต่ืิอจะหาทานวัดเจอทักทายเหตุกำเนิดสาบแจ้งเอาไว้เนี่ยว่าการสาบแช่งไม่ใช่ผนผลหรอกราบในการสาบแช่งบังเอิญกดคุ่งกลางค่คนนั้นที่จะเป็นคดีอ๋อการสาบแช่งนี่นะสาบามีคนที่อเมริกามองวเกิดผ่าเป็นไรกันเพราะถ้าพู่ครับูหรอกใเป็นรรเพราะเปนตามน้นทันที ปานั่นคือกฎของกรรมไม่เท่นสนองปากดีคนดีกันแล้วก็แกมีพิธยญาอย่างอ่อนมันเข้ามสายแค่คนดีปากแลเ้เที่ว่ากฎของกรรมไม่เท่าสนองนั่นไม่ได้เราเองนะสากแต่ทางที่ดีปเกอย่ว่าปลาเพื่อหขังไข่ <laughs> สาบลไปเห็นพรเดชธรรมพูดไปนี่นคือคนนี้นะสาบลคิดว่าแจ้ปล่อยปลาภาพใครอ๋อก็เป็นว่าทาอะไรให้ไขรสนน่อยสิสาบสาบล่ะใส่ข้าวขาเลยส่ข้าวขาเลยกอย่างอ๋อก็ตกแก่ทำที่มาก่อนนะใช่สาบถ้าพลาดเกิดดีว่าต้ว่าตามสาบ ลูกอ่านหนังสือของสำนักปติบตทธรรมะแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีสามภาคคือภาคขาวภาคกลางภาคดำและนิพพานก็มีนิพพานขาวนิพพานดำอีกด้วยจึงขอเรียนถามลงพ่อว่าเคยพบในตำรักตำลาบ้างหรือเปล่าครับเป็นสำนักปติบาทหรเคลเคยเคยเคยเคเคย จะเคยไปไกลมากก่ามันพกเรื à, ่องนี้เรอว่าไอ้การนไปเขาก็สวยแล้วไม่เป็นตํานักเ้วยังดีในวนพระพุทธเจ้าย่างนี้มีสามผ้าเหมกันว่าบาผ้าสูงผ้าลางผ้าต่อ๋ออะไรนั่นก็ ภาคสูงภาคสูงตั้งแต่คอถึงศีรษะโอ้ภาคกลางตั้นแตต้งตไหล่งมาั้งเอวาลางภาคกลั้งแคนขาถึปลายเท้าโอ้ภาคแพร่เลยนั่นนิพนธ์พระรุ่งเจ้าพระองค์ที่ไยประเทศโอ้ก็เราแค่ย่างภาคเดียวพอหลายภาคต้องมีมีแงี้ยภาคที่ั้งแต่ถึงเขตยุโรนี้เนี้ย อะไรปนะล่อยนั้นไปนะั่นแหละคับโนกเสียก่อนภาพเป็นอารมณ์เบื้องตน้นก็เป็นองนี้แหล ะ, ะอ๋อารมณ์เบื้องตนน้นอะไรขึ้นมาภาพเัาก็เกิดมันกหลอกรล า, าบลวบปาคายอ๋อที่ฉันท ร, ราบอะไรเพราะเบื้องตนน้นได้เคยโดนอาลพ่อเเป็นเองท่านเหรอพระม่พระม่เป็ น, นที่พานแบบนี่คือเราทำนึกอะไรขึ้นมาปั๊บที่มนัอยอยนหงั้นมันโผล่ภาพเลยอ๋อแต่ว่าที่ใช้ฉันก็ไม่ยอมหยุดนี่ ถามความเป็จริงเปไงใช้ปลากรอบแทนที่ถามความเป็นจริงแล้วถามว่าทำไมถึงนั่นบอกอาจารย์ที่ที่ทำไมอีกอ๋อนี่เล่าอะไรเงี้ยด้วยกันากหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเป็นคนมีจิตใจเคารพเรื่องสายลมพ่อพอมาฝุดที่ซอยสายลมพ่อไม่เป็นเรื่องจึงตัดสินใจไปฝุดที่วัดพาะรงพ่อไม่ได้ความ อยากจะให้หลวงพ่อชี้ที่ว่าลูกมีกรรมเวรอะไรในชาติก่อนเจ้าคะใช้ความเมีย ม, ม, ม, มีชาตินี้ถ้าพูดแล้วให้ไปฟังโอ้อ ก, กรรมไม่ได้ฟ้านี่เองเนะนี่ยน้ำวาระก็ยังไม่ถึงก็<อ>ค่อยไปนะฝากฝากก็ค่อยไปแล้ ว, ลวทันใจช่จะไปจะแค่รมผืนเว ล, ลาที่แกทำแล้วนิบอนเข้าขวางอ๋อในตัวสงสัยมันเข้าขวาง ลาบเรา ต, ะตะ้ตัดสินใจว่าเราจากชีวิตเท่าไรกับธรรมะลาบเวลานี้เราจะทันโถาานหวังทึดคุยานหวังเลยวินีใช่ไหมลาบถ้าไม่ได้ถ้ามันตายชั่เวลานี้เพ่าะมันจะถอยลาบคนนี้หลวงพ่อเจา้าทัศที่ฉันกำลังจะซื้อโต๊ะหมู่มาใหม่ไว้ในห้องบูชาละ ก็มีทั้งพระเก่าพระใหม่ฝากคนกันอยู่อยากจะเรียนทราบวิธีปฏิบัติวิธีตั้งให้หน่อยเถิดจ้าขาดไม่ได้แล้วไม่ได้นะมูเดียวไม่ได้นะคนละนิกายก็แยกนิกายนะนิกายเก่านิกายใหม่สลาสาครับไม่เป็นไรยังไงก็ได้ท่านพระพุทธเจ้าเหมือนกตั้งความที่เราเห็คนก็อะไรกันเนีะกล้ากล้าแล้วไม่ได้อะไรกันถ้าตั้งไปแล้ว จะเปนนอนนั่งคิดนอนคิดสักวันหนึ่งสงสัยเอ้ยอย่างนั้นคงจะดีกว่ากัอากาั้นนะทราบทรายังไงพระพุทธเจ้าวินารณ์เลยทราบทราบหลวงพ่อเจ้าพักเรื่องศิล้าบริสุทธิ์นั่นหนูสงไขยเจ้าพากคือหนูเป็นผู้มีแม่ตาสัตว์เลี้ยงสัตว์ แต่ตอนเอาหมัดออกนี่สิเด็กพระมีตายบ้างเป็นธรรมชาติแต่ก็ตายด้วยเมตตาจริงแหนวแหนวมี เ, เมตต า, จ ร, ตาจริงคนนี้น ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นไรนะลาบลา ก, รากเราจะหมัดออกใช่ไหมราบลาบต้งใจจะจัดให้มันไม่ตายจริงไมตายมือน้ายนี้ไม่ฝากแต่เป็นไม่ไมถ่านเลอาศั้เจดนาเป็นสังข ม<ต>ันจะจับแลกมแล้วเราต้องใจจิตจับออกมาใี้เลยถ้ามันเดิ่เหี่ยวตายไม่เป็นไรแลือาศัยเจตนาอื่นเลปากตาเ้ยวเนี่ยเอีอเอ่อเดี๋ยวพ่อที่ตอนที่เราเอาเอาหมาไปอาบน้าเอายาพอกเพื่อจะให้มันสะอ า, ทะาดที่มันมันก็ะฐานพ่อ่อกระฐานอะไรกระามดูว่ามีวินัยข้อหมายไหนบ้างและสินงข้อไหนที่คนไปเอายาใส่ไล่ขาวและบาปมีไหมโอ้ ทัไล่มไล่นะไม่ได้ฆ่าอ้ค่อใจที่สะมาพุทธโดยขยัไปว่าไป็วมือนบากครับแต่ว่าริงนี่ะว่าสิ่งน้ที่ไม่มีในเวลานั้นทางบเข้าบาปใช่มบาปครับแล้วเจตนาให้ตายไม่มีเาลย้เรื่องทุกขปาหลวงพ่อเจ้าพ <t os> oh. <t os> ักป <t os> oh. ีนี้โหรเขาทานายว่าพระศุกรเพลงพระเสา ว่าจะไม่ดีต่างๆนานาหนูนนนนนจะใช้คาถาที่แจกใหม่ฉบับล่าสุดไ้ภาวนาจะแก้ได้หรือเปล่าเจ้าคะโอ้มีแค่แก้เน่ยนะคาถามันจะเิ็กฎหมายให<ะ>้เขาแก้ก<ะ>ัในในห้องไ<ะ>อ้อไไๆๆนนตัวผจะ่แก้จำนวบาร์ตัวน้ยเขาโอ ไม่ถือว่าแก่ขณะกำลังเราให้สูงขึ้นไม่ถือว่าแก่นลาบใณะกำลังเราสูงขึ้นเขาจะลงคุนได้ลงลงได้ยากอันนี้เมื่อกี่เราคุยกับพระิทีนี้เองพรบเป็นยังไงท่านทอเรื่องการแฝงมาตรฐานะของบรรโทาโลกใช่ไหมลาบก็ทีนี่พื้นและท่านองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทเจ้าองค์ก่อนรับไหาบพระทธเ้าพระพุทธเจ้าคุยท่านอยู่ภาคพัทยองไป ปตะเดี๋ยวเขาจะตรงถงกุมมาแล้วเขาระสุดกุมาตองเขาจพุทธทีบางครอกุมปาคือไปึ้นมาถามเรื่องความเป็นมาเรื่อศานาต่างๆเพราะองค์สมได้จบอกว่าเรื่องราศนะเําจะตรงขนพุทธกระสุหนักที่สุดลาค่ะ้แล้วเรามาใถึงใจกันเด็จพระพุทธทีบางครอน ใช่ไหมหลากหากครั บ, รบ็เลยถามได้ว่าพระเจ้าก็มีพรมีเท่าอนกันไม่แตกต่างกันนั่งราบหลากรลากท่ า, าบบนบอกว่าสุดรัศการรังเริ่มต้นผู้เมื่อไหร่แจ้งวความโอ้โครงการให้คมากว่ากันลากรลากงเรียกว่าสมเด็จพระองค์มาถมก็ดีพระพุทธเจ้มีฟังกรชันก็ดีพระพุทธาทรก็ดีหลากหากว่าอัจุบัยก็ดีปู่คนนี้คงนะโอ้นี่ก้าวเท้ากเจ้ให้คุ้มนะ เ้าปาชีเลยเพื่อพระสศพคุณรากปลาปูที่ให้ท่านบอกเองนะลากปากลาท่านท่านบอกเลยเพป่อพระศพคุณก็ลาบปูมาเนื่องจากว่าเรามีนความมั่นคงจรและทาในสมาธิปรนนาสมาเสมอที่มันชินนะลากมาจไม่เดือดร้อนตามที่เราคิด อ, อย่างนี้ก็ได้สบายใจได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเาสาถูกอะไรเังไงก็ได้ท่าเนี้จะเอาถูกเรื่องมาสา้รับสาหรับเสม ไข่เล้งถ้ากตุ๋นเล้งถ้าวเสาก็เบาหน่อย พระสาวเลี้ยงพระุกรนมาเลยไมมาต้องไมคเามาล้วสาวร้องพัก c o n s o r โอ้โหนี่ครบโอ้โหันเดือครับเลีนยงๆพวกเรา้อตบอทฟังแล้วกินที่นี่จะไปเจอพระสาวโบส์วัดพัดป่าธาตุวัดอะไรก็ได้เลยร้อยใหญ่เลยโอ้กหร้อหนักเลยอะไรเป็นอะไรเลยแต่ได้นั่นให้เพื่อนหาทางหนีอยู่แล้ว กฎองกรรประเภทนี้เราหลีกไม่ได้แต่มันทำกำลังได้สูงขึ้นที report, ่ในทางปีกกันแต่พวกเรื่องนี้ของเัาบอกว่าเรื่องนี้ต้องบอกเป็นภาระต้องต้องเด็ดรากพุทธประสงค์ขนักในรากครับองคสมุทตะบอกว่าผู้พุทธทีพันกรทีองค์หนึ่งที่มาเรียมาพนันคุยแต่ว่าเีลาต่างกันนิดหนึ่งพระพุทธที่ักรณีมีกาลังแข็งมาก อ๋อคู้แรงมากตากต้อสมในินุนแล้วราดหาสาราหน้าสารคู่อ๋อแต่บอกว่าให้เป็นหน้าที่ขาาองสององค์ตากแม่จะได้คุณพ่อ ม, มากินแดกชาไปก็นหน่อยทำไมผัแดกก็แน่นๆป่านนี้ลูกหลานก็อุู้ดงสมบูรณ์เวลาที่ยังดีอยู่ในตากให้คนที่อินอยู่เห็นข้าวแล้วก็นมได้มีความหมายอ๋อ ม ism, it, the ันอ the ันนี้ไม่ใช่จีนแจกค่าเดียวถ้าถ้าหาว่าท่านนายสรู้ไม่ไม่มีทานยังก็ไเลยนะโอ้โหก็ต้อก็ต้องไปขอบคุณท่ายาก็ไม่สีขนญาติปากคอท่านยายไม่สีไม่ขนยากไม่มีทางครับคัออที่ตกลงว่าฐานที่ได้มาทั้งพันพันย่าพันแม่เนี่ยพราะว่าท่านเขียนใช่ห้ท่านเขียนคาสั่งท่าก่อนสร้าง ปาิบสองข้อเล่นหนังน เ, เล่นหเล่นหน้าของพบดูไนหะมปลาปากนนะ็ไม่ใช่เข้อยึดกินหนักแม้แต่อย่างเดียวก็แค่ไม่ไหวแล้วเรืออ่องอราลอกเร่งนี้ลนลนและก็ท่นานแม่ใหญ่พระศรีท่านก็บอกวา่าถ้าใสพุทธานุภาพพิลลุท่า น, นก็นั่นนงอย่องนี้กันปาปาราไม่หาท่านได้หมดใช่แตพสก็พูดกันงนี้พูดไปคูมา แล้วก็แม่ตั้งใจว่าสีเท่านั้นด้วยากฝากครั้งนี้เราการ้าพ่อได้พรนั้นนี้พ่อคนเดียวครับถ้าตังไม่ไหวเดินกันมาจากลูกฝากฝากต้องให้ลูกได้โดยพระนามท่านได้รับไม่ได้มีทางก็ถ้าใค้จะเข้าเกีวฝากฝากหมายนี้ก็ต้องปากขอบพคุณหลวงพ่อที่เมตตาต่อลูกอารนั้กามาเป็นหม เท่าล็อกเลยนะล็กไม่ได้เลย น, นั่ไไนเ อ, องล็อกไปไหน้าคนนี้ไปแล้นี้กรับคาระตอนหลวงพ่อเจ้าขาลูกทำการค้าขายกับผู้แข่งพยายามกันแส้เรื่องการค้าตลอดมา ขนาดนี้ลูกคนไม่ไหวแล้วลูกจากจะฆ่าตัวตายแต่เขาบอกให้มาถามหลวงพ่อก่อนเราจะตายแบบไหนเขาไม่ถูกนะโอ้ผมทำเขาทงทีตายไดง่ายๆในหรากรับให้ใจได้เรื่อยๆกินข้าเรื่อยๆนะครับไม่พันแน่ใจตรงนี้ถ้ามันจะตายเองอก็ทำไมล่ะเรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้มิ่ มีมีคนไปจานวนมากที่ตุ้มใจเรื่องผู้แข่งทัางม่เดือดร้อนเนี่ยก็ถ้าเราได้ะทถาโมที่ไฟถ้าใจยเย็นและไม่มีทางอ๋อเรื่องเล็กๆครับครับก็ชัด้านหลังที่สุดเรื่องการให้ใจครับครับรักอยไรใรอบครก็ไม่มีอ๋อถ้ามีเนี่ได้ใส่ดี่เนี่ยราคาเท่าไหรครับยากจน10บบาทเราใช้เงินร้อยันจ้อยาทเป็นเงินมื ลาบบาจ้เงินหมื่นมาแสจ็ินแสนมาเปเงินล้านโอ้ใไม่จ่ายรมนนะบาาแล้วก็ถ้าขาดท่านบอกนะบทนี้งินแสนอนี้ขอวัฒนธรรมยลากในขาดรอ้าีเปนล้านะ้าและวเดยวเราเป็นื้นฐานใหญ่ขอบทนี้เร่งจะทำใจไหมบาบแก็อย่างนี้บทต้นที่ปัดอุปสรรคที่ลากจะเกิด อันนี้ต้องมีอยู่ตายแล้วใช่ไหมอ๋ออย่าต้อตายเลยถ ร, ราถ้าจะตายให้ดี ก, ก่อน่าตายเมื่อฉันสิบล้านก่อนโอ้โหยังไม่ได้สิบ ล, ล้านยังอนุญาตให้ตายไม่ได้อ๋อต้อง ต, ต, ต้องให้ทางก่อนแล้วก่อนนะใช่ถ้าตายแล้วไมได้ให้อ๋อไม่ได้การจบเรียนไม่ได้มีทางปลาานีไม่จะเป็นนะปาปลาั้องแงกัช่างทำอะไร โควิดนาไม่ใช่เฉยภาษาเ้าไปเรื่อยสนใจธรรมดบายมันมีไลน์ค่าอยู่ที่จะมุจักมันมีข้าวแตงข้าวแป้งอะไนวโจนมานี่ทำมาสาบราบปรากฏว่าเมื่อปีใหม่แกต้องช่วยขาย13คนยังไม่ทันข้าวแตงข้าวแป้งเลยครำเลย บาบ้าไม่รูนเรือเอคือว่าถ้สนใจคาถานี้ภาวนาคาถานี้ระดับพล่รงวยมาก็ถวายวัดอาเภสไม่ต้องถวายวัดถวายใช้ถวายมากเลยนั่ถวายวัดโบางไม่ได้เดินไฟเก่งโอตอถวายตัวเอหลวงพ่อเลยใช่ใช้วางเป็นนาวัสิบพวกบังคุต่อแล้วทีลได้าวถ้าไม่มีปัญหาประหลาดอยู่ข้อหนึง นี่ผู้หญิงบอกว่าลูกมีความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไปไหนก็ราชนาตลอดเวลานั่งทีไรก็เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสแต่เวลานี้เวลานึกถึงภาพของพระองค์ทีไลเห็นแต่ ไอ้ถุงของท่านทุกทีมีจริงๆเลยใหญ่เลยพยายามต่อยหน่อยนะพยายามสลัดอารมณ์นี้ออกไปแล้วนั่งใหม่ก็ เห็นจูอีกอย่างไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรและจะแก้แทีอ่อไรเจ้าคะอย่างนี้เป็นามารายจริงจริงน่เป็นภาพที่ดีที่สุด น, นี้เลยนะครับผมก็มีแท็กชายจูเราเกินไม่ได้นี่เลยครูแต่ดดจูขอบคุณครับ ไม่เ็ไม่น่าจะเป็นไ้ได้เลยไม่ไดอะ็ไรครับแ้าเสว่าถ้าอยังหลงหงคุณจู๋อยู่นะต้องเป็นป้ายใจเกิด่อนนวสต์ข้าวขาเจ้ามีคุณจู๋ท่านมางคงใชยแล้วที่เป็นของเจ้ามีผ่านได้ข้าวข้าแร่นี้นะไ็้เม็อยหญ่นันแหมก็น่าจะพุ่งอีกทีจีตอนเีื่วลา เราจะจับอารมณ์เวลาจะตายจะไปนิพพานนิพพานนิพพานที่เกิดเห็นจูมาเรื่องจู่ท่านีกำเนงไปดิแทร์ท้าวตรงนี้ขายจูู่่ไหนที่จะกลายเป็นจูตระหนักต่าไม่เป็นโอ้โอ้โอ้นไปน้ำว่า อ๋เอเห็นนแล้วก็มาเห็นไลน์แล้ว ก, ลก็นะเห<อ>็นไลน์ไม่ไหวแล้วผู้เ จ, จ้าไม่รู้สึแลว่าท้าไใครมัจะบ่าเขาอ๋อใน่ไหมคว่าท่านตัดอารมณ์ตัวนี้ท่านเห็นเป็นผเจ้าได้อ๋อไม่ถ้าว่าเจ้ามีอาการชันสมงมันต้องปวดใช่ไหมสาสาบสามีอาการทุกอย่างทันต้องทนในผู้เจ้าทรงตัดการม่ันท่าได้ชันใดอ๋อมีไว้ก็ไม่มีเพื่อการมาลง มีไว้เพื่อใช้ในกิจที่ร่างกายมันต้องการมันใช้ยาผัสสะนี่แหละมีเท่านท้อือว่าเราที่แต่อารมณ์นี้รักกันไหมรักก็พยายามตักตัวนี้ออกมาจากใจแต่ถ้ามีการแต่งงานแล้วก็ไปทำหาความหยาดรอสามีนึกว่ากดทไม่ใช่ต้องแต่งงานก็แต่งไฟสาวคนที่จะผู้อง่งคนที่ทำเนี่ยในรุ่งหรือว่าเป็นคู่ครงกันมา 那个比我差人，人家是他家是拉的。我丢！我丢！丢架子！啊！我擦！我擦！我擦！主哎拉了谁？我给你讲。 หลายเมื่ไหลายปีมึเจอปี่ดูิีคนแฝงตอั้นตอนน้อนงแต่ว่าสมสมแฟร์จู๋หลง่องแยอำลาจู ไปดูที่ผานก็เยันลาดูเลยก็เสือ่าลาเรื่ยๆไยุ่งที่บาทเลยธรรมดาเลยนี่ดีเฮ็ดตายเฮ็ดสมไม่ดีเห้ดตายพอเราตเ้งก้อนก้บนเวลาหมดแล้วก็เยะขอประทานสักพันนิดนึงอ่าคือว่าวันเสาร์ที่1ิบเก้ามกราคม ท่านเทวดาชิญจากุหาราพิรสาเกณฑ์เนี่ยตาสลัดคนมาให้บาร์คนบลท่านบอกว่าให้คนนั้นไปหาซื้อไก่ที่กำลังใกล้ถขกค่าที่ก็ปลูกขาไว้นะประมาณรัอ3สามตัวถ้าไปเอาไปเลี้ยงให้มีความสุขได้จริงมากคล้ายๆกับเปการสนอยกรรเก่านะ รือไม่จำเป็นต้องไก่ขาวนะค่ะไก่ที่ก็นมัดแข่งมัดขาวไว้แล้วไมันก็ใหญ่โตขา่าแล้ ว, ว่าไ ก, ก่ก็าซื้อมาเป็นยังไงเออตุรกีนเนี่ยมันมีแน่นะมากกว่ามีามากกว่ามนีแน่สักสาตัวถึแค่นั้นนะไม่ต้องเรือกสีบากบากแค่ทำก่อนแค่นาเพื่อที่ส่งผลถ้าเนินมือัวเวนี่ยเยี่ยมโคกใครมึงนะแต่ตุรกีันมาจักไห เพื่อท่านมาเร็วมากคัท่านบอกผมรักษาเคสนี้ครับที่ประจัญเขษเนี่ยอ้ที่าท้านนี้เลย่าป่ า, าถ้าบุญบรารมีเก่าสังสมาบารีมีกำลังแรงบางท่านฟังเทศจบเปียกเปอร่า์เลยบางท่านก็ติดพระโสดาบันดุพักใหญ่ยังว่าทน่ยว่านนทานนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สุภโกนะเป็นสิงห์ยา แต่เป็นตัวอย่างว่าติดติดพระโสดาบันอยู่ต้องส0เสี่สิบว่าสี่สิบีเกพอบส่สิปีปวดภ่ายแปลนี่จะไม่ทาย่างเลยต้องเลือจะบุกเกาดังนั้นการปฏิบัติจริงๆแนมะ้แต่เป็นสุภาพบุรุษโก้พันก็แนะนำว่าถ้าบุคคลผู้ใดสา ม, มารถทรงรมของพระโสดาบันได้ให้ใช้ลมเข้าสัตว์กระปอังเลย อีกสองจังหวะไม่ต้องค่วในกำไหมยความว่าเรามีความรู้สึกมีปัญญามีความรู้สึกว่าโรคและร่างกายมันต้องตายยังไ ง, ไงก็ตายแน่ถ้าจะตายเราก็ยอมไปอบอ้ผูกยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ตัวมีศิลห้าไปสุดๆ เรียกว่าอบายภูมิบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีผลสำหรับเราต่อไปไม่ลงตอนหลังนี่ก็จักอรุณ์ายคือเข้าไปตัดอวิชชาเลยให้ปัญญ า, า, าพิจารณาตามความเป็นจริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีความสุดหรือมีความสุ่ร่างกายของมนุษย์มีการทรงตัวไหมจะต้อบอกว่าโลกนี้เต็มไปดอนิจจ์คือความไม่เที่ยว ร่างกายคนอื่นเขาไม่เทียบร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงทุกตัวทุกวันแต่ร่างกายนี่มันเป็นสุดทุกข์ความหิวเป็นสุดทุกข์คมคิดตัวการปวระจาระปัสสาวเป็นสุดทุกข์การปวยไข้ไม่สบายเป็นสุดทุกข์การต้องประกอบกิจการงานมันเลยก็ทรมาณโัวทรมันใจเป็นสุดทุกข์การพัดพาดเจ้าของนักของร่าใจเป็นสุดทุกข์ อาการนี gegangen, ้เขาบีบคั้นเยีายใจเป็นสุขอะไรทุกข์เขาเห็นแว่ามนเป็ุกข์จะลงความว่าใช้ปัญญาเขาตัดจุดนี้แล้วอีกจุดหนึ่งการเป็นเทวดาแลือกลมดีไหมมองันง่ายการความเป็นจริงก็ดีกว่าความไปพิจิตรว่าความไปพิจิตรเทวดาแลือกลมอยู่ได้ไหมนะเมื่อหมดปุณณสนาบารมีก็ลงมาไม่ก็ไม่ดี จิตจิตที่ดีมีคือมิถานมิแตกแอ่นี้นะคือเห็นว่ามนุษย์ไม่เป็นเรื่องเทวาดาแล้วรงก็ไม่เป็นเรื่องฉันต้องการอิจฉามิถันมิถัยเลยมิถันตัวท้ายอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ผ้ารังไอ้ถามว่าคนอยา่างพวกเราจะเป็นผ้ารังได้ไหมก็คนนี้เป็นผ้าไหนก็แบกเข้าหน้าตามันพวกเรามีจมูกมีปาก นีผมมีชื่อมีบุตรามีจำอะไรตอมีที่มียมี่ยวมือนเราอย่างน้อะไรว่ารากับท่านจะมีกําลังใจเข้มข้นเท่ากันไหมความเข้มข้นของกําลังใจยามนิดว่าสร้างกันได้ง่ายไหมมันก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีเก่าถ้ากาอสอรส่งสมบารมีเดิมมาไม่ดีพอชาต น, นี้ขยันเท่าไรก็ตามมันก็ยังไม่เส็จ มันต้องสะสมกันทุกิชาติเราก็ต้องไปนั่งมองทางพันธุ์ทีว่าคนอย่างเราจะปฏิธินได้ไหมก็อย่างที่พูดมาตอาานกับวันนั้พูดมาเยอทุกวันเอากแค่ปัตตากรปัทตาคือความเชื่อในการต้องการจะบำรุงเสริมจะว่าทานันประมีเอาตัวนี้เป็นเชื่อว่ด ศรัทธาดิครัความเชื่อตามแบบก็มีว่าศรัทธาไออธิโมกขศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่ใช้มัญญาประกอบเป็นความโง่อย่างนี้การศัพรัทธาที่สำนึกมันญาติประกอบจะมัญญาก่อนจะเชื่อพิจารณาใชล้คนอย่างสองอย่างไม่ยังไม่ไปต้นไม่ไปเคื่วัดมีบารมีจริงนไม่ตรต้องไปดูศรัทธาคู่หนึ่ง อุนิเรี่ยวกสังสาริการศรัทธาจะพาสังสาริการศรัทธาสังสาริการศรัทธาก่อนที่จะเชื่อต้องมีคนเขชวนเขาแนะ น, นำเขาดึงไปไปทำบุญที่ร่มได้ทานทานี่ไปไหมดีไม่ดีไปถึงวั ด, ดแล้วไอ้ไนี่ประกาศเป่าเป่าที่จะสร้างส่วนซักหลังและคาสองตันหนึ่งแหมประกาศขึ้นวันยังไม่ได้ดำเน แล้ว ก, การแล้วประเทศอีกก็ทํากันทําบ้างอะไทําบ้างหรือว่าเข้าไปทำอย่างนี้ทียกว่าสังสาริยตถาเป็นสัพพาทุกคนที่มีบารมียังไม่เส็จไม่เป็นปรานวัสมารมีแต่สังสาริยตถาไม่มีการที่ว่าไม่ต้องทนมันจะแม่นยำกันเห็นแล้วพอใจทำอย่างพวกเราฉะนั้นมันจะยกยกกันไปได้ใ น, นึ้นในวันนี้ อ้มมันโตทั้งแขนแล้วโตัวเอนี่เย็บคนไหวนี่ถ้ามันข่างกันอุ้มมันใครจแจ้งเรจะอุ้มไหนจะต้องดาวสิบล้านก่อนเออดาวมันว่าถ้ายังไม่อุ้มก็มีสิบได้สิบล้านเตือนไหมเออมาอุ้มแล้วจะให้เท่าไรไม่ให้ไม่ไหวแต่ดาวแล้วเอาดาวเลยไม่ต้โดนยนไหวจะโตไนี่ต้องิดใรเยอยู่แล้วอย่างพวกเรานี่ มีหรปล่าเมื่อกี้ใช้เข้ามานช้จะเรียกเป็นี้แต่มึอ ง, อ ย, อ, ง, อ, ยงอย่าทำคุณอย่าทำแก่การทำจะทำาุณหน้าตายอย่างนี้เราองสังสาริกาศรัทานะและก็ทุกวันที่พวกเราทำกันหลวงพ่อลงมานั่งบอทีมันไม่กันเรียกอาเริ่มทามาแล้วต่างคนต่างรีบองย่างนี้เป็นอสังสาริขาศรัทธาคือเป็นศรัทธาของคนที่มีบารมีเต็ม แบบนี้มีหวังผ่านแน่นอนแล้วก็มีเรื่องว่ามีจุดหนึงน่งเค่เพราะท่านพิสัยมาลนยีติอันนี้น่นอยมากถ้าเข้าเขตสิริพัน์ได้การที่จะนำอธิสมาละตายเข้าเขตสิริพัน์เนี่ยต้องรู้นถะ้าจิตเพียงแค่เข้าถึงตัง้งแต่โสดาสนคาคาราชา ยิดสะอาดเท่านั้นเห็นพิานแจ่ม ไ, ได้แต่เข้าไม่ได้เลยพิธ <c oughs> านชักได้แต่เข้าไม่ได้ยหรือเข้าไปในในนิมามานิพานแล้วไม่ยิดเวลายึดที่เข้าในนิมมานนิานิเวลาม่ยึดต้องสะอาดเข้าเท่าไรก็ทุกคนที่ทำได้เพรามันใจว่าขหนหนึ่งเขาจิตเราสะอาดเทรรา่าไร ตอจ า, าี้สัตว์มันเป็นขนาดเดียวสมาจิตก็เกิดพอกใหม่ <c oughs> นี่ก็ต้องมีสูตรกันว่าเวลาที่เข้าวันนี้เลยใหม่มพวกเราในเกียรติภิบาลเวลานั้นเรานั่งบนรถอีกบนเตียงบนตางได้ไหมอานั่งแล้วลืน่นแนงล้วลื่นภาพนี้ยังไม่มีหลังถ้า จ, จะให้มีหวังต้องตัดสินใจที่ไห น, น ตัดชิ้นใจทันทีว่าทราร่างกายที่สลายตัวเมื่อไรของมาที่นี่ตัดเดียวมันจะนั่งได้ทันทีเวลานั้ น, นกรกิ จ, จสหามมีความผิดกันถ้าเราเอินเข้าไปแล้วมันไม่ลืล่นไป่หล่นเขาหวังได้เป็นที่กั้งเป็นนว่าวิชาสารกัริญญาที่มีเครื่องวัดครับไปลอความว่าบาลมิเออพูดถึงปยญญานิพายกันไหม แมื่อคืนนี่มีญาติโยมมาใหมา่สี่คนที่ท่านยังไม่ตอ้ใจมีสี่คนนัะะ้นแหเวลาเอาไปตรวจจิตเปิดภาพมันจะอกอกมาไหนจ้าตรงนี้ป๊าบน่าอึ้ย่าบอกสี่ค น, นนี้ม่มาใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องยังมีส่วนไอ้นนี้ไม่เหลือ ท, ท่านบอกอย่งนี้เอาลแล้วก็มีเผลอเสียวนไปแล้วไม่เป็นตามมันไม่ ต้องสร้างใหญ่วัดเขาสูงหรือว่าตายไปก่อนคนที่ใครก่อนเอาไปกันใช่ไหมแล้วบอกต้งหมดไม่เหลือถามว่ากิจไม่แม่ครับดีบ้างเล็วบ้างเรียวก็ดีเรียก็เรวเรียกก็โหลดแต่มันบอกนั่นมันเรื่องธรรมดาของกิจเรื่องเรื่องธรรมดาก็เกิดข้องกันแต่ส่วนลึกคือความดีจริงๆภายในก็มีอยู่ในตัวเองวาระมันยังมาถึงก็เป็นคราวา รละ ว, ว่ามีความหนักในความเป็นอยู่ตัวเลี้ยงตัวเองเหมือนข้าเนี่ยมีขูนที่ใหญที่ขู ก, ขก็แปลผู้ขอห้ามให้มีหน้าที่ขออย่างเดียวถ้าให้เป็นระเบียบของพระไม่ตายกบพฤิการแปรู้ให้ห้ามขอไม่ใด่แม่แคนทุกคนต้องมีระเบียบยังไงแม่งั้นจะมีการใหญ่ เน้ว่วววานั้นหายควมว่าถความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูอารมณ์กันทาตุคนใด้าดเดินตามสายสุขอารมณ์สโสโครจิตรักพนิความเป็นอารมณ์เ้ารักแม่วันหนึ่งก็อาจจะคิตพณงความจรข้งและสองข้งเวลาก่อนหลับก็ตื่นไหม่ๆที่สบายอันนี้มีหวังรอดย้ย อาพวกที่ได้มโนงวิธิขยันมริพันธ์วันละครสองครั้งประเดียวเดียวก็ได้อีกม oh ีอารมณ์ด้วยบอกว่าขณานี้ะอิอย่างสุขภาพเป็นกฏจิตต้องการบริพันธ์เป็นอารมณ์เวลานั้นฉันต้องการทำเวลาที่เราจิตมันต้องการบริพีนธเวลาเนั้นจิตว่างใจเบรคทั้งหมดเลยอารมณ์ที่อยากได้บริพันธ์เวลานี้ยจิตไม่มีเลย อารมณ์ความแสบในบางเพศมันก็วางทิ้งต้องขาดต้องร่วมเวลาใช่ไหมความโลภก็ต้องทิ้งความโกรธก็ทิ้งความหลงก็ทิ้งเวลานั้นมันไม่ได้ต่อจิตสะอาดมากมันสักคู่เดียวเดียวก็แข่งสักสองสันาทีก็แขเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แข็งท่านบอกว่าจิตสะอาดวันเล็กวันน้อยมันจะสอาุกวันเวลาเขมาในทีและเวลาที่จะตายจริงๆบารมีทั้งหมดจะเข้าลมตัว แล้วก็มีหลังวิคพานแน่นอนสำหรับคนที่ได้มโนวิธีถ้าขยันปานิพพานตามปกติโดยเฉพาะอย่างยี่ก่อนหลับและทั้ามืดถ้าพูดใึงสำคัญมากถ้าเมื่ อ, อจิตไปนิพพานแล้ววันนั้นทั้งวันจิตสันสะอาดที่สุดและคนอาบนานัวเร่งข้อสมบูรี์ร่งทางหลายตัวดีหมดไปเลยเพื่อนแต่พอเอิญเ น, บบ น, นแบบแกลางฝนละอองมันเปื้อนบ้างแก็นา แล้วก็ไปแนงใช่ไหมก็หลุดง่ายไปเมือคนที่จอยดินป้องทั้งวันใช่ไหมแลเวลาที่จิตเข้าไปที่เนื้อพมันหมดกิเลสไม่เหลือลงมาแล้วกิเลส ก, ก, กันกะ่ไ่เกาะก็นกลังไ่ได้เราก็ล้างมันทุกวันจนชินให้ว่าพวกนี้เป็นไปง่ายลองฟังว่าเมื่อคืนนียถ้ามันยืนยันได้ก็ไปถ้ายื น, นยันไม่ได้ก็ไป เมื่อคืนนี้นพูดอะไรบ้างฉันําไม่ได้็คือใืนนี้ันไม่ไนก็ะไรเพราว่าตามคาบอกทุกคําก็คืนนั่งพ่ตามคาบอกไม่ไปเลยข้างวันนี้เพงเม่กี้จะลงมาบอกเลยพูดเลยฉันโยกเขฟังบอกมาเองถามว่าทไมก็บอกว่าจาไปได้ก็บอกวันน้บอกสันโยกเสร็บอกรู้แค่นั้นไลยต้องเอาสิ จับต้นแล้วก okay, ็จับลายเลยสางองค์ไม่ใช่เลม่ตากทั้งข้างบแข่นี้ของเพืด้วยปวดไปกันหนื่ยก่สาวเหนือยไมนอยไมม่ปวดอะไรทำให้คนไดนี่เยเออเออัวก็เหนื่อยแถ้าปวดมากไอ้หลักวิชทานมาเยอะไป เราคุยชาก็อยากคุยกันทันมีเรื่องคุยเยึะอย่างเวนะถ้านป็นนักเอมากแต่ว่ามันไม่เส็นประโยชน์สําหพวกเราเลเราะพวกเราก็่องเป็นใบที่ีการแส่เพราะมันไม่ใช่คนแส่เป็นคนกินใช่ไหมล่ะถ้ากำยำบารมีขนาดนี้ก็อยู่ในลักษณะคนกินอย่างเดียวไม่ใช่คนแทน ไอ้คนีย่แกงต้อเลืแกงส่งตงสส่ไอ้บ้างที่มันมีที่มาใส่ใช่ไหมแกงเป็นไม่แกงส่งไอ้ไอ้ลูกแต่เพื่อลายก็แบบแกเป็นเปล่าะเป็นสมุนไพรใส่โป้พิษใส่แกงด้วยแต่แต่แต่แก่ไม่ได้ไฟหมดแล้วแกงส้นดีว่ะดีไม่แกงมาดันมันบุนตัวแล้วใช่ไหมแกงเสร็จใส่ลแกงแล้วใส่เลไอ่ตัวก็ต้องปูนทำเลย นั่นหมายความเริ่มบารมีต้นเราต้องทำแบบนั้นเวลานี้กะลังพอเราแค่รวมกำ ล, ลังของรังของโลก ข, ข, ของเขามาใชยเพื่อเอาแกงมากินอย่างเดียวชาติ่ดีมากเพราะอะไรไม่ไอคนที้ไปโง่มันจานฉันนั้นไปฟหมดแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องเขาไปไม่รู้มีโ ก, โกนั้นไม่กินไมเ่เจแสนนั่นเป็นโกน ตอนยากสนสนฉันข้าวภาษาศิลป์ภาษาเนี่ยขึ้นไปดาวึงที่ในโยนบอกวันนี้ลูกเ็าจะมันลาลาไปไหนลาไปทางอาอะไรสี่ร้อยสัตวาร้อยบัาไปทางตนทไหน้นลยกันเดินนั่งไหลพวกและทีกแอ่ผมนี่ขี้เกียดจริงๆเรื่น้าจะไม่ช่วยหลงพ่อฟังดินภาาสู้ผมได้ ไอ้มนนี้ก <laughs> ่อนไอ้คนนีรู้รักจริงๆงนี่เด็นใจพ่อแล้วก็พูดสั่งรอนจริงนะพวกเรา้านต่างๆที่เกิดขึ้นเคยต้องเข็งใช้หรือเปล่าใครถนัดทางไหนไม่มีการเขงกันเลยที่พ่อจริงๆเลยมานมันตั้งใจกันมาดีๆ ได้รวความว่าการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมันมีหวังเป็มที่แต่ว่าทุกคนอยาา่าสละสิทธินะ อ, อันมันไม่กกรรมอยากทำมากมนักยังข้าจัดเตรีนกธรรมถึงแม้ตัวเล็กๆกบับเราดีทุกคนประการที่สองอย่าปรมามมทย์พระไตรงลาหรือเพราะอย่างนี้เวลาที่อย่าบุญชาคะเริ่มต้น ขอามาโค้ชพระชายาสนากรดก่อนทีเราจิจ้าพระทารสอันนีลูกใจใจเป็นสหาได้ใจว่าเราเคยสมาธิครั้งได้การตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจะรู้เท่ามดนถึงใจก็ดีขอสุเด็ดวิจินศรีโปรดประทานาไยัยพดโทษให้ตั้งแต่วันนี้ไปจะป่อยข้ามุทธิ์ไปไหว้ทุกวันนะการร่วกันแล้วก็ผลทีที่ได้ไปแน่น่คือ เราจะไปยากแล้วไปง่ายจุดหนึ่งคือคือว่ามีกินแล้วไม่มีกินถ้าไม่ก็จะมีกินมันก็ติดเสือดร้อนแต่ว่าท่านยากกับท่านแม่ก็สงเค์อขอวัร า, ายช้วสุดเจ็บใจนะนี่ท่านช่วยกันเต็มที่เลย้วค่ับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เทวดาไก่ให้อภัยต้องวนปูว่าวันนี้ไก่ก็บมดหลายตัวนะ อันนี้ประเด็เรื่องแปลกที่สุดคือขอไ่ให้ใครกัไม่ได้แต่แลว่าเขากลับมาให้ภัยกันพวกเราเขาบอกว่าความดีคือบุญบารมีกาลังแรงพอที่พอไแต่เขารักแล้ว ม, มีความสุขก็เฉยเขได้ดนี่ต้องภาวนสิ่ของเรากระนการที่สอง้พระพุทธเจ้าบนไม้ค า, ข า, ข, าขาที่มีวามต้อขั้ยทุกคนตั้งใจทาด้วยความตั้งใจจริงห ยาปลามาาเจ้าว่าเร่อยๆถ้าไมีผลไม่ต้อวงอะไรได้เนี่ยก็ถ้าทาจริงๆแบบจะปฏิบัติมีผลเนี่ยถ <laughs> ้ามีความเป็นอยู่เป็นสุขจิตใจก็สบายทำปฏิบัติทำไม่ก็ได้ดีใช่นี่ถ้าท้องหิวภาวนาก็ไม่ไหวมันมีเดียเดียภาวะภาวะปลาทุาขายทุลากินกงความว่าให้มั่นใจในความดี และก็พยายามเ ร, รียกเรื่องความชั่วหนึ่งอย่าลืมว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองเรานับนบาทีเพื่อเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้ความจริงใจไม่เพื่อแกล้งสงสัยสามรักษาเห็นให้บรรสนเขาให้แน่นอนพระประทมแล้วก็รายการนิ่สี่หวังจุดเยวือกนิทานแล้วกะตีกับยาโลคคัามโรคยาให้มี แต้ถำว่าอยากได้รับสัตของคนอื่นโดยการอยากจะรักบ้างจะย่งบ้างจะพนต่างๆพยายามได้ไงเป็นไรพยายนั้มาหินมาเสร็จลงสองารมณ์ความโกรธค่อยๆบรรเทาในทางนิ่งก่อนค่อยๆห้อภัยค่อยๆป่อสามอารมณ์ความหลงหรือก็น่ากายของเราเยอะเยอะๆเยอะๆนี่ย้าตัดเลยนั่นไม่ได้ไม่จำเร็น เพราะว่าไม่จำเป็นเพราะคนนี้จำมีหวังต่อเมื่อเวลาวันไหนถ้ามันจะตายจำไม่ดีนทุกคนนะบางคนอาจจะตายก่อนหลวงพ่อบาคนอาจจะตายหลังหลวงพอ่อจะจไม่กิดเองนะถ้าวันไหนเวลาไหนถ้าป่วยหนักหรือไม่หนักถ้าเห็นเท ว, วาดาเห็นลมคือพราอริยะลอยเต็มอากาศแต่ยังไงว่าการป่วยเนี่ย ปวดและปวดนอก็ตา้คิดว่ามันอาจจะตายไปก่อนจะได้ไม่สมานก็ตั้งจักชิ้ใจทันทีว่าคราีิท่าพระเอิญจะตายขอไปในภายเกือบเดียวเอามุงนี้จะไปเอามุงอื่นหลังจากนั้นถ้าเห็นพระอาทิตยเจ้าเป็นออกเป็นฟ้านมองกระแสก็เจี๊ยบใน้องไดก็เจียบหมดก็ดูท่านพระเทวดาอยู่หน้าผรมอยู่กลางพระหลังอยู่หลังเราไปถึงเทวดา อคยู่หน้าเทวดาอยู่กลางเราเป็นคนาคใตหลังอยู่หน้าพระเจ้าอยู่หน้าเราเ็นคแต่ว่าจิตตั้งไว้ว่าเพื่อนิพานก็ไม่มีทางเพื่อเจ้าเองนั่นแหละที่อยู่ใกล้ที่สุดหลายคนนะวิปาปๆแล้วมันเป็นวาเป็นธรรเนี่ยเพื่เจ้ารอชัดยังอยู่บเคื่องบินบอลลูนมาต่าทพ่อแปสองก็เข้าไปจิงปกผู้ท่าว่าห้องเราเจ้าฐานแก่าใช่ห ถ้าเรื่องนิพนธ์แม่โยกย้ายว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็สำหรับญาติโยมที่มาใหม่ให้ควาเอินใหม่จริงๆนะเพเดี๋ยวจะสมาทานจะมีส่วสำคัญกับสมาทานเวลาก่อนจะภาวนาจาัดสินใจนี่แปลว่ากายเสื่อมรปนุษย์ก็ไม่ดีเป็นเวทวดาหรือพรหปใน ส, สุขเราเราต้องการี ถ้าไม่เคยภาวนาเย็นอื่นมาก่อนก็ให้ภาวนาวอกุศลให้ใจเข้านึกว่าพุชใจนึกเอาออกด้ว่าหรือว่ามันหรือไม่ภาวนาเลยคิดมันเรื่อยไปอยู่สี่สิบปีร่าการเกิด่ากนี้ไม่เปลียนเรื่อยทำเป็นหนีกระทุกทำเป็นนีกระทุกเปลกกทุกแสกกระทุกเจ้าหนีมาตรงกรทุกหลุมหนีไปทำไมชนะดอกพิเศมเหมือนชนะกระทุกใช่ไหม ถ้าความตายเข้ามาถึงก็คุกคามชักแตาเจ้าของนักของสแต่พวกเราไม่ต้องการการเจริญถ้หวังไม่ธรรมดาพระพรก็น้อยไปไปเราหวังไม่ได้คิดเลื่อนี้คือกว่าจะหมดสิริมนคลดีการใช้ดุญอย่าการภาวนาถ้าจิตเป็นสมาธิจิตก็ว่างแจ่มเยีถ้าการที่จริาอยู่แท้ปัญญาตัดกิเลสจิตก็ว่าจิตกิเลสมการสองอย่างมีความไม่แตกขาวเรื่อยรื่ราะว่า ที่ทราบทางเจ้าคุณราชท่านารงนี้นี้เขกนันในรบางว่าจะเผาเจ้าคุณเทพเจ้าคุณเทพเจ้ว่าพระองค์นี้ตายแจ้งใหญ่ทําไม่ใช่เรื่องใหญ่แจ้งใหญ่นั่นเองเพราะเขานั่งเรียนทุ่มเดียวแจ้ใหญ่แล้วก็ดีไซสัเจ้าคุณเมีว่ารอดคนไม่เป็นตอนนั้นเราไม่สังเกตอะไรกันะ แล้วก็เป็นหมอดูพิเศษนั่นๆๆเห็นหอดูบอกเลยว่าจาับมือปั๊บมีคนมาคอยดูดีมือสามคนแลมีแกงจะหลมาหมอดูเลยมือดันรู้อย่างนี้แต่เาใครไปให้ดูไมดูนะให้ดูๆๆดูเองดูคอทั้งข้างละงไปเลยก็เลยสงสัยวันหนึ่งท่านตรคนไม่เป็นสจับมือรู้คนมารู้คนไปเส้นมันบอกเ เดี๋ยวเนี่ยมาคอยมเมอกี้นี่ที่ไปถ้าไปก็มีพรที่นี่ฉันก็เลยน่าไม่เป็นโอเนน่าองจะไม่เช่คนเหมือนกันนี่ตัานแต่เป็นบมเดลเนี่ยถว่าก็ใครๆก็รู้กันว่ามหาคมนี่สิมหาคมในตัวผมนี้แล้วลูกศิษย์กคนโครมากใตดีมากพอเวลาจะสอบเวลาซอมก็ ผู้อ่นเ้ิึงเดินเนี่ยสอบเอาไม่คนเดียวเลยดีมากแล้วเขาขยับเขสจบคนที่เก้าคุณพาพันลงตรงันเสาแล้วก็อาจจะทำลุินล็อกอัติคนที่สิบเป็นมาทิ้งทนก็อาจจะไปนั่งดักสตังแถวโน้นนั่นตั้งใจเขาเลยเพราะว่าพอมันนักวิจัยลาบยังคลาบ เราปวดอะไรก็รากแล้ใวัานงหว่านองเอง้ว่านงเลยนะแล้วหลานแข้งแข้งไปเปเช้าที่ข้าเช้าแล้วก็ไปวันที่แลกจะมาพักที่นี่ที่เ้าเช้าแลไปพอเขาเสร็จก็จลมานอนนี่แต่คุณรักเขาอนน้นบอกเลยคุณไม่นอนแต่คืนนอนแล้วมันไม่ได้นอนให้คุณมึ้ามเขาออกเลย แล้ววันที่สิบก็ไปที่สุดเป็นคนนั่งไม่เมื่อกี่ก็ น, นั่ง น, นึคุท่านเวลาการทำฐานใจกานั่งนึกลงท่านอะไรมาแต่ว่าอาจารย์คุณน่ยไม่ใช่คนสบายลำบากเป็นพระติทิตข์จะเป็นปริน เราไม่รู้เรื่องกันเลยเพราะรู้ตําหนึ่งท่านโปรดใครไม่เป็นไยนี้มากราราใชปการใดสองวนเดินชนทางไงมือมาดูนีใครปไปนี้แต่กันโ<ะ>อแล้วนี่คนผมไม่ให้<ะ>าาาาสาใครรบ้านที่รูปติดแล้วพรุ่นี้ใครสั่งสติโน่<ะ>ให้เลยมือในยยานละเอียดจริงจริง อีปัถูกไทยเลยนะีไม่ต้องนั่งโมงเส้นนะโอ้โหเลยลเมื่อกี้นัน่งเรนสงสัยก็ดีสมเด็จจะมาเป่าทีท่ใจเขาใจม็ถูกโอ้โหยังไงต้องบอกหมายความว่าอัน แ, แบบนั้นมันอิสุยามอยา่างใสใจถ้าโตรคนไม่เ็นในใครแ่ะคร<อ>ับหมดเรื่องปูดไฟนรบัติที่อายุยังคุณอาจนะรารย์ ทีนี้บอกปัญหาว่าลูกหลานจะไปพบหลวงพ่อที่วัดอนงวันที่เก้าเนี่ยเอาเวลาไหนหรือยังไงเอาตั้งแต่หกโมงเช้าฉันเจี๊ยห่อเขาต้มน้ไฟไปเลยนะใแล้วแล้วจะอยู่ที่นั่นถึงเวลาเท่าไหร่เวลาแล้วเลิกเขาไฟอนเขาถึงเลิกเขาเลยเลยเขาเลิกเขาเร่วกลับวันที่สิบเขาทำบุญฉลองกระดูกไหมก็ไปไปขั้นเลย <อ>เสร็จทราก็กลับก็กคือนอนที่นันไมได้ไม่ต<อ>่างเราเราได้เปคุยกันก็ไปเจอไอ้คนลืมเจ้าคุณเจ้าคุณราชแค่บอกผมก็เป็นเดือนนะครับลืมว่าเป็นเจ้าคุณใครก็ได้เข้าใจบางคนเสียวมักอะไรกันวะ<า>ไอ้พวกมีงายไอ้บลืมหมดนะโอ้นล้วก็เรา ย, ยิ้มก็จำได้ เมื่อกี้ี่เกียรพูดอะไรเรื่องอะไรก็อานน้องเผาเนี่ยที่เรื่องนี้ก็เริ่มทํ้คันปราบปรามได้หลายพ่อพอให้พวกนี้เริ่มทาทำไมคันลาบลุงท่านจะมาแค่นั้นท็้งสามสี่คนอ๋อว่าลูกหลายคนเราล่ะคุณบอกอย่างนั้นถูกต้องแล้วปราบป้องให้มันขอมาโทษใจธนาคมนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่มันจะไปยากอ๋อเพราะยังงนี้ต้อมนมันบุก้องหมดแล้วนะ กลาครบเรื่องเรืนองเรื่องคุกเข่าคุกอองตรงในตั้งเป็นโครงกานขอธรรมดากล้าแต่ว่าทุกอย่างพร้อมแล้วอย่าลืมว่าทุกคนเน่ยเวลามุชากและขอมาเข้าิบัติพาคมก่อนกล้แล้วตอนจะเลิกพระพุทธเจ้าเดินมาที่บอกว่าที่ปัญญายก็พูดถูกต้องในกากันนะยันี่กเลยใช้ได้ตนพวกเรานึ่งอะไรอย่างพร้อม มาต่อไปเป็นตาได้แล้วยงศพหลบไปยงศพ